ถึงจะดูเป็นเรื่องราวเป็นนิทานแต่มันก็เป็นอะไรที่สำนวนฟังยากอยู่เหมือนกันนะอันนี้สำนวนแปลสมัยโบราณแปลจากไหนแปลจากภาษาบาลีนี่แหละก็เป็นนิทานที่อยู่ในในประไตปิฎกนะในหมวดของธรรมบทชจะเป็นนิทานเป็นเรื่องเป็นเรื่องมีสักสองสเรื่องได้ยาวบางแสนบาง เรแปลก็อืมเขากพยายามแปลทิ้งเขาไวยากรณ์ของของภาษาบาลีเอาไว้ด้วยมันก็เลยเป็นจำนวนฟังยากๆนิดหนึ่งเวลานั่นก็เลยกลายเหมือนต้องฟังแล้วต้องแปลไทยเป็นไทยอี ก, อกรอบหนึ่งแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเวลาที่เราฟังแล้วมันก็ดีสําหรับพวกนักเรียนบาลีนะ ฟังแล้วก็ยังพร้นท์ภาพเขาอย่างก่อนออกออประมาณนี้ประมาณนี้เวลาที่ไปเรียนที่ว่าจะแปลกลับก็คือแต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลีก็ให้ในเรื่องนิทานที่เราเคยแปลมาแล้วนี่แหละนี่เรื่องที่เป็นภาษาไทยมาแล้วก็ให้แปลกลับไปเป็นตัวบาลีอันนี้ก็ดูแบบ มันจะไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับเราเท่าไหร่เนาะแต่จริงๆแล้วมันก็มีความดีงามเหมือนกันถ้าเรารู้ภาษาดั้งเดิมอยู่บ้างหมายถึงว่าเวลาที่เราอ่านนิยายที่เป็นภาษาไทยเป็นนิยายแปลนะสมมติปแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษอเงี้ย อย่างสมัยก่อนก็มีอะไรดังๆแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมเวลาคนที่อ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษเนี่ย <_ letter> เขาก็บอกสนุกกว่าที่แปลเป็นภาษาไทยมันแน่นอนแหละเพราะว่าอัทรรของคนที่เขาเขียนออกมาเนี่ยเขาก็ใช้ความนึกความอ่านในภาษาของเขาเนะเวลาที่เราเข้าใจวัฒนธรรมกำหนดธรรมเนียมหรือภาษาโครงสร้างของภาษาของเขาเนี่ย อ่านแล้วมันก็สื่อเป็นตรงมากขึ้นกว่าเก่าเวลาที่แปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับทักษะการแปลเหมือนกันว่าคนที่แปลเนี่ยจะสามารถสื่อถึงในยะเดิมได้ดีมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะรู้ หลักไวยากรณ์อของภาษาทั้งเดิมของภาษาบาลีอยู่บ้างจริงๆจะเรียกว่าภาษาบาลีก็อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยถูกต้องสักทีเดียวจริงๆต้องเรียกว่าภาษามคตมเป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ในแคว้นมคตนั่นแหละเป็นแบบว่าเวลาที่เราอมาเรียนมาเรียนกันเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันหายไปแล้วเขาเลิกใช้กันไปแล้วก็เป็นแค่ภาษาที่ใช้อยู่ในตำรับตารา ของการจดบันทึกคําสอนของพระศาสดาเราทีนี้เพราอ น, นั้นเราก็เลยนิยมเรียกคําว่าภาษาบาลีแทนเพราะว่าบาลีจริงๆมันก็คือในความหมายของคําว่าบาลีมันแปลว่าทรงไว้ก็คือเป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้า คนสมัยนี้ก็เลยเลรียกภาษาบาลีแทนภาษา ม, มคตเพราะว่าภาษา ม, มคตถ้าเราเอาจิงๆมันก็อาจจะสโคบกว้างเกินไปใช่เพราะว่าก็จะพูดถึงหลายเรื่องหลายราวโน่นนี่นั่นไปแต่ถ้าสโคบลงเฉพาะคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยโบราณอาจารย์เขก็เลยใช้คำว่าบาลีแทนทีนี้ก็เหมือนอย่างที่บอกนะถ้าเราพอรู้ คำศัพท์อยู่บ้างเพราะรู้ความหมายของคำศัพท์อยู่บ้างเวลาที่เราไปอ่านตัวต้นฉบับดัางเดิมเนี่ยมันก็หรือที่ใกล้ตัวเราก็คือบทสวดมนต์นี่บทสวดมนต์ต่างๆมันก็ทำให้เราสวดด้วยแล้วก็ได้รู้ความหมายไปด้วยอย่างบางคนสวดมนต์นี่พอแปลไม่ออกพอแปลไม่ออกก็ ก็สวดไปด้วยความเชื่อใช่ไหมอันนี้มันก็มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดีแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นอีกเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้คมแปลรู้ความหมายในสิ่งที่เรากำลังสวดด้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้ฟังเทพพระพุทธเจ้าจริงๆอีกครั้งหนึ่งเหมือนอย่างบทที่เราชอบนิยมสวดกันนะเวลามีงานมงคลใหญ่ๆชอบจะสวดบทอะไรธรรมจักใช่ไม ทำมาจากกระเป๋วัจนสูตรบ้างอณะตระและคณะสูตรบ้างมงคลรสูตรบ้างนี่ซึ่งถ้าเราแปลได้เนี่ย น, นก็มันก็คือคำสอนนั่นแหละนั้นทั้งนั้นเลยอย่างมงคลระสูตรนี้ก็นอกจากจะพูดเนื้อหาสาระว่าอะไรบ้างที่มันเป็นมงคลแล้วเนี่ยท่านก็เกลืนมาเลยว่าเรื่องราวความเป็นมามันเป็นยังไงบ้างก็ถ้าตามตำนานนี่ก็คือ ถ้าไม่ได้เอาบทขัดนะเอาบทเฉพาะส่วนที่อยู่ในประสูตนแล้วเนี่ยก็คือต้นเรื่องก็คือเทวดาเนี่ยแหละลงมาลงมาหาพระพุทธเจ้าที่วิหารเชตวันแล้วก็มาทูลถามปัญหาเกี่ยวกับว่าอะไรกันแน่มันเป็นมงคลถกเถียงกันเหลือเกินพระพเจ้าก็เลยตรัสชี้แจงว่าอะไรบ้างอะที่มันเป็นมงคล เราตัดเอาไว้ตั้ง38อย่างก็คืออันที่เราสวดกปนั่นแหละตั้งแต่อเซวนาจบาลานังจนจบพระสูตรนี่มันก็คือนับนับได้แล้วก็ได้38ขอ้อถ้าจะบอกว่าจริงจริงกรอบของการปฏิพิปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์ใช่ไหมเป็นทางเดิน ก็คือถ้าย่ อ, อคือศีลสมาธิปัญญานี่ยเลยแถ้าเราจะแจกแจงในรายละเอียดให้มันมากขึ้นสัหน่อยหนึ่งนอกจากว่ามักแปแล้วเนี่ยถ้าเราขยายให้มันภาพใหญ่ขึ้นเนี่ยมงคลสูตรนี่ก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งที่ที่เป็นแนวทางเป็นกรอบที่ดีที่เราจะเอาไว้ดําเนินเอาไว้เป็นแนวทางการใช้ชีวิตของเรา ก็เริ่มที่อะไรอะเสวนาจะบาะลานนงก็คือการไม่ครบผุนผ่านปันดิตานันจะเซเวนาก็คือการที่เรามาคบบัณฑิตแค่สองข้อแรกในี่ใครทําได้นี่ก็มันเจริญแน่นอนมงคลมงคลก็แปลว่าเจริญนี่แหละสูตรที่ว่าด้วยความเจริญถ้าเราทําได้มันเจริญแน่นอนการที่เรามีมิตรที่ เป็นคนพานเนี่ยมันก็พาเราไปคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเรามีมิตรที่มันดีเป็นบัณฑิตอย่างเงี้ยเาก็พาเราไปคิดดีทำดีพูดดีชักชวนกันไปทำความดีอันนี้ก็แค่เบืออเบ้องต้นเนี่ยนเบื้องต้นนี้ทำได้ในชีวิตเราก็ลดทอนปัญหาไปได้เยอะบูชาจะปูชนียานังนันคือบูชาบุคคลที่ควรบูชานะ ก็คือไม่ใช่ว่าเจอเจออะไรก็บูชาไปหมดเราก็ใกล้ควรพิจารณาแล้วว่าเขาเป็นบุคคลที่เป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้แนะนำให้คนทาดีแนะนำให้คนหลีกไกลจากความชั่วเวลาเรามีความทุกข์เราก็รู้จักเขาเรียกว่าแนะนำช่องออกสักทางหนึ่งให้เราพ้นทุกข์ได้ ถ้าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าที่เราควรจะให้ความเคารพ บ, บูช า, าก็มีองค์พระศ า, าสดาเป็นต้นเอตัมมังคลมุตัมมังก็คือเหล่านี้เนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดอนี้ก็ปาไปสามข้อแล้วนะคาถานี้ก็ได้สามข้อแล้วคุยง่ายคือไล่เรียงมาตั้งแต่ห ย, ยาบๆเลยการเลือกคบคนใช่ไหม อันนี้ท่านก็สอนตั้งแต่ข้างนอกเลยก็คือการที่เราจะอยู่อย่างให้พัฒนาชีวิตความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นกับชีวิตได้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือต้องเลือกคบเลือกคบคนไม่ใช่ว่าเจอใครก็คบไปหมดคบให้มันเท่ากันไปหมดอย่างนี้ยังยังไม่ถือว่าเราประพฤติปฏิบัติที่มุ่งหน้าต่อความเจริญได้ดี แต่ถ้าเราจะมุ่งหน้าต่อความเจริญได้ดีพู้เจ้าก็บอกว่าให้เลือกด้วยพิจารณาว่าใครเป็นบัณฑิตคนไหนเป็นคนพาลคนไหนเป็นบัณฑิตเราก็เลือกแต่แน่นอนแหละเวลาเราใช้ชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยเราลงลึกในรายละเอียดแล้วเนี่ยในแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนเพียวๆเป็นบัณฑิตก็เป็นบัณฑิตเพียวๆร้อยเปอร์เซ หรือว่าเป็นคนผ่านก็เป็นคนผ่านเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นเนเราก็จะฟันธงแบบนั้นสัทีเดียวคงไม่ได้ไม่ต้องอะไรมากแค่ตัวเราเองเราก็ยังมีทั้งในส่วนของด้านที่เป็นคนดีมีน้ำใจแล้วก็เป็นส่วนด้านที่ขี้เกียจบางครั้งก็รู้สึกแบบกระฟัดกเฟียใส่คนอื่นบ้างนี่เป็นต้นนะแอบนินทาแอบเมามอยคนอื่นบ้าง เพราะฉะนั้นแม้แต่ในตัวของเราเองเนี่ยมันยังประกอบไปด้วยทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีด้วยฉันได้ฉันนั้นคนอื่นก็เหมือนกันมันก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราครบกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ก็ต้องเลือกเลือกที่จะคบด้านดีของเขาส่วนที่มันเป็นด้านไม่ดีที่ถามว่า าพาเราไปส ม, มัครเล เ, เมาพาเราไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยอย่างนี้เราก็ไม่เอาเราก็ขีเซ็นเอาไว้ว่าอ่าอย่างนี้เราไม่เอานะาถ้าพาเราไปทำบุญพาเราไปขยันทำงานหาไรายได้พิเศษเพิ่มนี้อันนี้ก็ครบกันได้เพราะฉะนั้นคนเรามันก็มีเหลี่ยมทั้งเหลี่ยมดีและเหลี่ยมที่มันไม่ดีเลยเราก็พยายามเลือกครบกับเขาในเหลี่ยมที่มันเป็นคนดีเป็นบัณฑิตเพราะฉะนั้นเราก็จะ อยู่สบายขึ้น่ากันถึงถ้าเราไม่รู้จักที่จะมองให้มันละเอียดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะเหมาไปเลยว่าคนคนเรามันเหมือนทรงทรงกลมก็นะคือว่าไม่ว่าจะมองด้านไหนด้านไหนมันมีเป็นแบบเดียวกันซึ่งมันไม่ถูกตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือคนเรามันมีหลายเหลี่ยมหลายมุมหลายด้าน แล้วก็เลือกเอาด้านที่มันจะจอยกันได้เอามาคบกันด้านไหนที่มันจอยกันไม่ได้เราก็ไม่เอาแต่อย่าลืมฟังไปฟังไปก็สติอย่าให้มันจมไปพยายามให้สติมันมีสติที่มันตื่นตื่นตัวรู้ตัวทั่วพร้อมนอกจากจะมีสติแล้วก็ให้มันมีสัมปชัญญะด้วยสัมปชัญญะชัญญะญญญญก็คือความรู้นั่นแหละ สัมก็แปลว่าพร้อมตา ก, ก็แปลว่าทั่วก็คือรู้ทั่วพร้อมไปด้วยเพราะนั้นสติเราจะได้ไม่จมไม่เหนื่อยไม่เสื่อมไม่ซึมให้มันรู้ทั่วพร้อมไปด้วยรู้ว่าเรากําลังนั่งอยู่เรากําลังนั่งฟังอยู่แล้วก็ไม่ปล่อยให้ใจมันไหลจมลงไปข้างล่างยกใจเราขึ้นมาไวท้ที่ที่ลมหายใจที่พุทโธให้มัน เป็นสภาพที่ตื่นขึ้นรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นเพราะฉะนั้นพอเราไปศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยมันก็จะไล่เรียนตั้งแต่ห ย, ยาบๆเนี่ยเลือกคบคนคบไปแล้วก็เริ่มที่จะละเอียดเข้ามาในภายในมากขึ้นนอกจากจะเลือกคบคนแล้วกพรมันใกล้ตัวเรามากขึ้นก็เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหม ดานั้นจะอันนี้ก็ตัดๆมานะเดี๋ยวเป็นดูเอาอรายละเอียดลึกๆแจกแจงกันแบบอะไรเป็นอะไรอีกทีในภายหลังอันนี้ก็ยกพาไม่เห็นคร่าวๆนี่แหละว่าเวลาใกล้ตัวมากขึ้นเนี่ยขยับมาใกล้ตัวมากขึ้นก็มีอะไรดานั้นจะทำบรรจริยาจัดยากับดานั้นจะสร้างกระโหลเนี่ยก็คือดูแลนะยา ดูแลสงเคราะห์ญาตสงเคราะห์บุตรภรรยาเนี่ยบุตรดารัตสัสังกโฮเนะี่ยก็คือสองเคราะห์บุตรแล้วก็ภรรยาด้วยวก็คือสองเคราะห์คนในครอบครัวนั่นแหละมันก็จะภาพมันก็คือจะใหญ่แล้วก็ค่อยๆเล็กลงมาเรื่อยๆใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆพอพูดถึงคนใกล้ตัวแล้วก็ขยิบขึ้นมาที่ตัวเรามากขึ้นอีก อารติวิรติป่าปามัชฌะปานาจะสัญญโมอารติวิรติป่าปาก็คือให้งดเว้นจากการที่เราทําบาปมัชฌะปานาจะสัญญโมก็คือให้พึงสํารวมสงบระงับจากการที่มัชฌะปานะก็คือพวกน้าเมาต่างๆให้เราพูดง่ายสํารวมก็คือ อย่าไปดื่มมันมากหรือว่างดเว้นได้ก็ยิ่งดีเพราะนั้นก็จากข้างนอกคบคนข้างนอกเริ่มใกล้ตัวมาที่ครอบครัวใช่ไหมแล้วก็เริ่มมาที่ตัวเองแล้วอัปปามาโดจะทำเมสุก็คือไม่ไม่ประมาทในการประพฤติรมเดตัมมังคลมุตตมังก็คือเหล่านี้ก็เป็นมงคลสูงสุดอันนี้ แล้วมันก็ขยับขึ้นไปเรื่อยนั่นแหละจนถึงว่านิพพานสัจฉิอิริยาบถก็คือการทําพระนิพพานให้มันแจ้งเพราะฉะนั้นมันก็ไล่เลียงไปตั้งแต่ห ย, ยาบยาบแล้วก็ใกล้ตัวเรามากขึ้นคนรอบตัวไล่เลียงมาถึงตัวเราแล้วก็ไล่เลียงจากการประพฤติปฏิบัติตนจนเข้าไปถึง การประพฤติปฏิบัติดูแลจิตใจของเราเองแล้จนสุดท้ายสุดก็คือการทำพระนิพพานให้มันแจ้งด้วยก็คือตั้งแต่หยาจนถึงละเอียดสุดเลยอันนี้มันก็เป็นแผนที่การที่เราจะเอาไว้เป็นเส้นทางในการพัฒนาชีวิตของเราถ้าภายนอกก็บอกเกี่ยวกับคนรอบข้างก็บอกเกี่ยวกับตัวเราเองข้อประพฤติปฏิบัติตัวเองก็บอก แล้วก็ลึกลงไปให้ดูแลจิตใจด้วยท่านก็ชี้แจงไว้ให้เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราศึกษาให้ดีมันก็เป็นแผนที่ที่มันละเอียดพอสมควรถ้าเราค่อยๆไร้เรียงทําตามแบบนี้ไปได้มันก็แน่นอนมันก็สมดังชื่อพระสูตรเ่ยที่ว่ามงค ล, ลสูตรสูตรที่ว่าด้วยความเจริญ ถ้าเราทําได้ดีมันเจริญแน่นอนเจริญทั้งภายนอกนี่ก็เจริญทั้งภายในแต่แน่นอนเลยไม่ว่าจะอยู่เกี่ยวกับภายนอกหรืออยู่เกี่ยวกับภายในก็ย้อนกลับมาตรงที่ว่าคนเรามันมีโลกสองใบโลกเกี่ยวเนื่องด้วยภายนอกอันหนึ่ง โลกเกี่ยวกับจิตใจคือภายในของเราอันหนึ่งเราจะแยกจากกันเนี่ยมันไม่ได้นะเราจะเอาแต่เฉพาะโลกในภายในจะมานั่งหลับตาอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็อดตายพอดีแต่ถ้าเราจะทํางานหาเงินให้มันมีแต่ได้เงินมาไปซื้อข้าวซื้อของจับจ่ายใช้สอยอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนแหละความเร่าร้อนของใจเนี่ย มันจะได้รับการบริหารจัดการได้ไม่ตรงจุดเท่าที่ควรวิธีการบริหารจิตใจของเราเนี่ยมันจะเป็นวิธีการบริหารจิตใจแบบอ้อมๆบางครั้งอ้อมมาแล้วมันเจอก็มีบางครั้งมันอ้อมแล้วมันไม่โดนก็มีแต่การที่เร า, าบริหารจิตใจแบบตรงๆได้ถูกวิธีด้ว ย, ยมันก็ทาให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีสุขภาพาที่ดีขึ้นแหละหนึ่ง แล้วก็บริหารความสุขความทุกข์ได้ตรงจุดได้ละเอียดแล้วก็แล้วก็ถูกต้องกับสาเหตุของความทุกข์มากขึ้นเหมือนอย่างที่บอกเวลาที่เวลามีเรื่องอะไรที่มันมากระทบใจสักเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าเราไล่เลียงสาเหตุของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นแลว่าที่มันทุกข์เนี่ย มันทุกตัวละเอียดละเอียดจริงๆเนี่ยมันทุกพระเขาหรือมันทุกพระเรากันแน่สุดท้ายถ้าเร า, เร า, เราลองลองไลง่เรียงดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้ลูกศรทิศทางของสาเหตุของความทุกเนี่ยมันจะส่วนมากไม่ต้องส่วนมากหรอกร้อยร้อยเลยนั่นคือมันจะย้อนกลับ พุ่งกลับเข้ามาเข้ามาข้างในว่าไอ้ตัวนี้แหละใจเรานี่แหละมันเป็นต้นเหตุจริงๆต้นเหตุสุดท้ายมันก็ในสําคัญมั่นหมายอยากได้หรือไม่อยากได้อยู่แถวนั้นน่นแหละอย่างบางคนก็อาจจะอ้าก็คนเขามาดาเราแล้วเรามันก็เป็นสาเหตุทําให้เราทุกข์ไงก็ถูกไงอันนั้นก็ ไม่ได้เถียงอะไรนะถ้าเรามองแค่นั้นเนี่ยมันก็แก้ลาบากเพราะว่าถ้าเราจะแก้ทุกข์โดยการที่จะไปแก้ปากขเขาเงี้ยมันแก้ไม่ได้หรอกถ้าเขาด่าเช้าด่าเย็นด่าเช้าด่าเย็นแล้วเรารู้สึกว่ามันยังยังไงมันก็ยังทุกข์อยู่เงี้ยเราแก้ปากเขาไม่ได้เราก็ต้องทุกข์ตลอดสิอย่างนั้นก็อยู่อยู่แบบขัดทุนขัดทุน ถ้าเรามีแนวคิดแบบนี้มันแก้ทุกไม่ได้เราก็ต้องหาแนวแก้ทุกใหม่ให้เราใช่ไหมเขาด่าเราอ่ะถ้าตามคําด่าี่ยมันจริงไหมต้องถามตัวเองมันจริงไหมถ้ามันไม่จริงไม่จริงแล้วเราจะเอาสาระอะไรกับคําด่าแต่พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็เถียงกันอยู่ในใจนั่นแหลอะอขาก็เขาด่าเราไงเราโกรธมันก็ถูกเราไงแล้ว เราก็ต้องถามกลับไปแล้ว เ, เ, เขาด่าในเรื่องไม่จริงเพราะมันไม่จริงแล้วเราโกรธทำไมเพราะนั้นมันก็ จ, กจะเริ่มเห็นอะไรว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้โกรธในความหมายในคำด่าของเขาก็ได้แต่ลึกๆแล้วถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมีความอยากที่จะให้เขาไม่ด่าเราแค่ น, นั้นเองหรือหยุดด่าหรือ เยียบๆไปอย่างนี้นะแต่พอเขาด่าเรามันไปคาดหวังว่าเขาจะไม่ด่าเราใช่ไหมแต่เขากลับด่าเราเนี่ยได้ในสิ่งที่เราไม่อยากได้มันก็เป็นทุกข์หรือเราอยากให้ให้เขาหยุดแต่เขาไม่หยุดอยากได้แต่ไม่ได้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทําใจได้เออเราห้ามปากเขาไม่ได้เนี่ยมาห้ามใจเราดีกว่าเราห้ามให้เขาไม่ ใ ห, ให้เราห้ามให้เขาทำตามใจเราไม่ได้น่งั้นสุดท้ายใครมันคนแย่กันก็คือใจเราเองเนี่แหละที่มันเป็นตัวทำร้ายจิตใจตัวเองนะเขามันเป็นแค่ส่วนประกอบของความเห็นผิดๆของใจเราเฉยๆเพราะนั้นคาด่าเนี่ยถ้าพูดถึงคำด่าเนี่ยถ้ามองเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยมันก็คืออะไรที่มันเป็นคลื่นเข้าหูเราเฉยๆ ใช่เป็นคลื่นเสียงที่มันเข้าหูเราเฉยๆไม่ว่าจะเป็นคำชมมันก็คือคลื่นเสียงที่มันเข้าหูเราไม่ว่าจะเป็นคำด่ามันก็คือคลื่นเสียงคลื่นอากาศที่มันมาเข้าหูเราจริงๆนะถ้ามองทางกายภาพมันไม่ต่างกันเลยแต่สิ่งที่ทำให้ไอกยภาพที่มันไม่ค่อยต่างกันมันต่างกันที่ใจเราก็คืออะไรก็คือใจเรานี่เองแต่เราพยายามจะ ไปบังคับกายภาพให้มันไม่มีมันก็เก่าไม่ถูกที่ขันเท่าไหร่เพราะนั้นไอ้ตัวประมวลผลตัวนี้ต่างหากที่มันเป็นตัวหลักใหญ่ใจความว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราเจอคนที่เราไม่ชอบใช่ปะ่ะพูดคำเดียวกันกับเพื่อนเราอย่างเงี้ยสมมติบางคนวัยรุ่นเงนี้ยเจอกันเนพูดทักทายนู่นแหละภาษาพ่อขุนรามบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไ่ม แต่พอเจอกับคนที่เราไม่ชอบที่หน้าพูดคำเหมือนกันเลยภาษาพ้ อ, ของขุนรามเหมือนกันแต่กลับกลายเป็นว่าเราก็จิตดจขึ้นมาในใจคำพูดอาจจะใกล้เคียงกันแต่ตัวที่มันประมวลผลคือจิตใจของเราไม่เหมือนกันประมวลผลให้อีกอันหนึ่งชอบหรือเฉยเฉยอีกอันหนึ่งขัดเคืองคุณเคืองที่ใจขึ้นมาเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ไอตัวที่มันเรื่องมากจริงๆเนี่ยมันคือใจที่มันปรมาณลตามตามความเห็นตามความเรื่องมากของมันเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ที่ใจเราได้เนี่ยมันง่ายง่ายที่สุดเลยเรื่องข้างนอกมันก็จะลดปัญหาลงไปได้เยอะคื <c oughs> อย่างที่บอกพอสุดท้ายเราค่อยๆพิจารณ า, นานไปดีๆ ถอดออกไปที่เราเปลอกสองปลาะเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นถึงตัวเจ้าปัญหาจริงๆริเนี่ยเลยก็คือตัวเราเองไม่ใช่อยู่ข้างนอกแล้วข้างนอกจะดีหรือไม่ดีข้างนอกเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีจริงแต่เราแก้ไขอะไรไม่ได้ใช่ไหมมันก็คือปล่อยความไม่ดีไว้อยู่กับเขาแต่เราดันไปรับความไม่ดีเขาเข้ามาก็ทุกข์ใจเปลเา่าเปล่าสุดท้ายกลายเปไน็นอะไก็เป็นที่ใจเราเนีเองที่เราไปรับความไม่ดีของเขาให้มันมาร้อนใจเราไปเปลเา่าเปล่า แล้วอะไรมันแย่กว่ากันนะก็คือรู้ั้งรู้ว่าไม่ดีแล้วเราเอาความไม่ดีกลับมาด้วยอย่างเงี้ยคนไหนมันโง่กว่ากันกันแน่ก็คือใจเราเนี่ยแหละมันโง่กว่าครับมันมันโง่ไงมันไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะไปโทษเขาสู้โทษโทษไอ้ตัวความไม่รู้อันนี้ดีกว่าเพราะมันตัวจี๊ดกว่าตัวแบบว่าทําให้เราไม่ค่อยเห็นมันนะ มันก็เป็นตัวเสียมตัวคอยแทงให้จิตใจเราเกิดความเจ็บปวดเกิดความ ร, าร้อนร้อนรุมร้อนไอตัวนี้ตัวแสบเฉะนั้นเรามีศักยภาพที่เราจะฝึกสติให้มันได้ดีขึ้นเรื่อยๆเราก็อย่าลืมที่จะมองอย่าลืมที่จะดูมันเรื่อยๆให้เห็นเห็นไอ้ตัวผู้ร้ายเนี่ยที่มันคอยเหมือนกับเพื่อนสองของเรา อยู่กับเราตลอดคอยเสียมให้เราไปอย่างนั้นคอยเสียมให้เราเป็นอย่างนี้คอยเสียมให้เราคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้ไอ้เพื่อนสองตัวนี้นี่บานทีไว้ใจมันไม่ได้หน้าตามันดีเหมือนกับใส่สูตรผูกนิไทยอยู่กับเราเลยแต่ที่ใหญ่ได้คอยแอกแทงเราตลอดแอบแทงเราตลอดึอดอดอ่งทีพอเราพูดถึงกิเลสเนี่ยคนก็จะภาพนึกภาพแบบ โอ้ oh. พวกแบบผู้ร้ายกับขระนักเลงโตอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่เลยกิเลสตัวตัวตัวแสบจริงๆเนี่ยก็คือหน้าตามันเหมือนคนที่เราไว้ใจนี่เลยอารมณ์เป็นคนที่เราไว้ใจเลยแต่แอบแทงเราข้างหลังตลอดโดยเฉพาะอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพิจารณา เศรษกิจในาศาสนาเนี่ยท่านก็จะยิ่งเครียดแค่เลยว่าโอ้ยไอตัวแสบจริงๆน่ก็คือที่ท่านว่าไว้ก็คืออวิชชาหลยโอย้มันมันตีเนียนแบบสุดๆอะ่ะตีเนียนจนเราไปคอยอรักษามันด้วยคอยปอกป้องคอยรักษามันด้วยถ้าไม่ได้มีคำสอนไม่ได้มีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะชี้บอกเนี่ยเราก็จะไม่เห็น แล้วก็จะไม่ามาระมัดระวังแล้วเราก็จะไม่ได้มาหันตั้งข้อสังเกตเลยว่าไอ้นีนะ่มันมีความไม่ดีไม่งามอยู่นะอย่างนั้นเราก็จะคอยเห็นแต่วความดีความงามของมันโดยถ่ายเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกมันไม่ได้เหนืออาบ ก, กว่าแรงอะไรที่เราจะเห็นพระใดเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นแล้วแล้วก็แสดงเอาไว้แล้ว มีคนที่ทำได้รู้เห็นตามได้ได้ผลประจักแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำได้แน่นอนขอเพียงแต่ว่ามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำว่างก็ทาไม่ว่างก็ทำทามันอยู่เรื่อยๆบ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยเราทำให้มันกลายเป็นนิสยัย นิสัยที่เราจะมีสติคอยเห็นใจเราอยู่เรื่อยๆมีสติคอยที่เราจะเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะเห็นอารมณ์ในใจอันหนึ่งด้วยก็ทำง่ายๆอย่างนี้เลยเล็กๆน้อยๆพื้นฐานอันนี้มันมันทำตั้งแต่ผู้ฝึกหัดปฏิบัติเบื้องต้นจนผู้ที่จะละ วางถอดถอ น, ถอ น, อนกิเลสออกไปจากใจมันก็ทำแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าความละเอียดละออก็มีมากขึ้ น, นแค่นั้นเองแต่เวลาทำก็ทำแบบนี้ไม่ต่างกันงห้นก็ขอให้ตั้งใจตั้งใจที่จะมีสติฝึกสติให้มีกำลังแล้วก็คอยเห็นใจแล้วก็ฝากใจเอาไว้ที่เครื่องอยู่อันนี้ที่สติเฉพาะหน้าให้ดี